ทุนฝั่งที่ครบครัแล้วนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งของรายการสัมสนีสนทนานะคะต่อไปนี้เรากําลังจะได้พบกับพระเพรูุญอภิปุนโนอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน ะ, น, กกนะคะ่ะกลับน้อสการท่านค่ะเนย์ปอนมาว่าดีมากๆเลยนะถ้าผอกว่าเริ่มต้นรายการด้วยการปฏิบัติใช่ไหมแล้วเราก็มาอธิบายปฏิบัติหมาว่าฟังพระสูตรใช่ไหมแล้วเราก็มาอธิบายพระสูตรที่เราฟังไปเมื่อตอนต้นเนี่ย เป็นการเปิดทำที่ถูกปิดไขความไว้นี่ด้วยนั่นจะจะดีมากๆอย่างที่เราทําอยู่สองวันมาแล้วเนี่ยนะะก็ได้พูดถึงเรื่องของโควัวควายโคปัสุสสัตว์พวกนี้เป็นคําแทนแทนเดียวกันหมดเลยค่ะคืออาตมาก็เลี้ยงโคไม่เป็นนะก็เลยแต่คือแถวบ้านเนี้ยแวัดป่าดอนไห่โศกบ้านหนองเต่าดอนไห่โศกเนี่ยนะก็ชาวบ้านนี้เขาก็มีอาชีพเลี้ยงควายบ้างปลูกนาบ้าง ปลูกข้าบ้างแล้วก็เลยสมาก็เลยไปถามเขาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงโคคุณยมติ่วเราก็ไปทําวิจัยมาเหมือนกันนะโคือว่าเวลาเขาเลี้ยงโคเนี่ยเขาต้องรู้จักวัวจากควายของเขานะมันก็จะมีตัวที่มันเป็นหัวหน้าฝูงตัวที่เป็นหัวหน้าฝูงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เดินนําไปก่อนหรือว่าจะดูความปลอดภัยคือวัวทั้งหลายเนี่ยก็จะตามหัวหน้าฝูงตัวนี้ถ้าเราสั่งหัวหน้าฝูงตัวนี้ไม่ได้เนี่ยโคทั้งฝูงนี่เขาก็จะไม่ ก็จะสั่งไม่ได้ละหมือนก็คือว่าเขาก็จะตามหัวหน้าฝูงตัวนี้นะที่นี้มีอยู่2เทคนิคที่ได้พูดถึงไปเรื่องการเลี้ยงโคที่เมื่อตอนต้นรายการณพระเจชาพูดถึงการที่ต้องรู้จักเขีเ่ยคไข่ขางแล้วก็รู้จักปิดแผลโอ้ยเราฟังแรกๆนะคุณยมเตีาขายาางนี่มันคืออะไร <c oughs> นะปิดแผลนี่ยังพอจะเข้าใจแต่ไอ้คาขางนี่มันคืออะไรก็เลยไปถามาชาวบ้าน ที่เขาเลี้ยงโคนะเขาบอกไข่ค้างเนี่ยจะเป็นคือโคเนี่ยเนื่องจากผิวหนังมันหนาแล้วมันก็บางทีฝนไม่ตกนานๆเนี่ยผิวมันก็แห้งมากเลยนะวัวควายเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงน้ํามาหลายๆเดือนเนี่ยโอ้ยมันจะหงุดหงิดมันจะไม่สบายตัวไม่ต้องไปแช่ในตมเพื่อให้ผิวมันมันชื้นชื้นมันคือมันไม่แตกอ่ะเพราะว่าถ้าผิวมันแห้งมากเนี่ยมันจะแตกเหมือนยังคนเราเนี่ยนะ อาบน้ำบ่อยๆหรือในเตียงแห้งๆฤดูหนาวเนี่ยผิวมันจะแตกแตกออกเนี่ยทีนี้ด้วยความที่โค ม, มันตัวใหญ่แล้วมันก็หนังหนาเนี่ยนะพอผิวมันแตกแล้วเนี่ยมันรักษายากละ่ะนะพอช่วงที่รอยแตกเนี่ยเขาเรียกว่าลินันลิหรือรอยแตกเนี่ยนะก็จะมีไอ้พวกมแมลงวันบางพวกหรือว่ามแมลงบางอย่างเนี่ยมันก็จะไปไข่ใส่ในตรงรอยแตกนั้น ในอย่าง<ม>ในเมืองกรุงเทพเราจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าที่อยู่นที่ออกชนบทมาหน่อยๆนึงเนี่ยก็จะเห็นพวกแรงที่มันไปทํารังตามมุมบ้านมุมประตูอะไรมันก็จะเอ า, เอาไปไข่ใส่ตรงนั้นเราจะเห็นอยู<ะ>นะ่พอมันเห็นช่องตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปไข่ใส่เลยนะพวกตรงนี้ถ้าเผือว่าคนเลี้ยงโคเนี่ยไม่รู้จักขี่ตรงนี้ออกเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นคนจมติวไอไข่เนี่ยมันก็จะโตออกมาพอโตมามันก็จะเป็นหนอนหนอนมันก็จะใช้เนื้อวัวกิน อ๋อใช่ตรงหนังใช้ตรงนี้ก็จะมีอาการอักเสบแล้วมันก็จ ะ, ะปวดมากเลยวัวควายก็จะอยู่ไม่เป็นสุขนะก็เลยจะต้องหาน้ําไปแช่ไอ้ตัวนั้นก็จะตายไปใช่ไหมก็จะรักษาโดยตทำกระบวนการธรรมชาตินะเราต้องรู้จักเขี่ยวไขขางออกนะคือถ้าเป็นเจ้าของโคนะอันนี้คือถ้ามาไปถามก็ามาเราทําไม่เป็นหรอกน ะ, ะต้องมาคอยดูโคว่วาตรงไหนมันมีลิรอยแตกแก็ดูว่าตรงนี้มันมีไหมเราก็เขี่ยวออกเขี่ยวออกอย่างบ้านเราทําความสะอาดก็เหมือนกันนะ ค่ะอืข้อที่สองก็คือว่าต้องรู้จักปิดแผลนะคือตรงไหนที่มันเป็นแผลเนี่ยเราไม่ได้ดูบางทีมันเดินเดินไปเนี่ยขวาวมันขีดกันเองนะขวาวะมันขีดกันเองมีลิรอยแตกรอยข่วนอะไรที่ผิวต้องรู้จักปิดแผลให้มันนะถ้าทําไม่เป็นนี่คุณไม่สามารถจะเลี้ยงโขได้เลยคืออาชีพคือเด็กเลี้ยงควายเนี่ยไม่ใช่งงโง่นะคุณยมทิวเขาต้องมีเทคนิคพวกนี้ก็ถึงจะจ ะ, จะเลี้ยงควายได้อืสองอย่างนี้มาเปรียบเทียบกับ ตัวเราเองเหมือนกันค่ <Huh. S 1> นะนัคือว่าเราต้องรู้จักเขี่ยไขขางไขขั ง, ขขงนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในตัวควาย <Huh. S 1> นะเพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ว่าในจิตของเราคุณเรียบเขี่ยออกเลยนะในกรณีนี้คืออะไรนะัคือความคิดในทางการความคิดในทางปฏาบาติความคิดในทางเบียดเบียนอกูศลธรรมทั้งหลายมาปุ๊บเขี่ยออกปัดออกปัดทิ้งทําให้สิ้นสุดให้หมดไปละบรรเทาไม่อดอดกลั่นเอาไวา้ <Huh. S 1> นะถ้า <Huh. S 1> ทํางนี้ได้คือคุณรู้จักการเขีย่ยไขขัง แล้วบัวควายบางตัวนะคุณยมติวมันไอ้รอยแตกของมันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละตัวน ะ, บ า, ะวบางตัวแตกที่ท้องบางตัวแตกที่หลางบางตัวแตกที่ขาหน้านนเราต้องรู้จักว่าตัวนี้มันจะแตกที่ไหนบ่อยๆเราก็ไปดูแถวนั้นนี่คือเทคนิคเด็กเลี้ยงควายนะเพ<ะ>ราะฉะนั้นเราพลาดตรงไหนเราต้องรู้ตัวเรานะเราเจอคนเนี้ยแหมคนนี้มันทำให้เราจี้ตลอดเวลาโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องรู้จักลนะรู้จักปิดตรงไหนรู้จั ก, กโอบ ก, กลั้นตรงไหน พระเจ้าพูดถึงเทคนิคนะที่จะเกี่ยดไขขางออกนะก็คือด้วยการอดทนด้วยการละด้วยการบรรเทาด้วยการทําให้สิ้นสุดด้วยการทำให้หมดสิ้น<ฆ>ซึ่งตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าคือปัดมันออกไปนะคือมี<ฆ>ความหมายเหมือนกันเลยนะคือละมันออกไปอดทนเอาไวนะ้ไม่ให้มันเกิดนะทาให้มันสิ้นสุดเพราะฉะนั<ฆ>้นพอเรามีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นตรงนี้เรารีบเกี่ยดออกนะจะทําให้จิตของเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นมาได้ นะกรณีเรื่องที่สตรงนี้ที่พูดถึงก็คือการปิดแผลนะปิดแผลในที่นี้ก็คือการสํารวมอินรีย์นั่นเองนะคือกายของเราเนี่ยหมายถึงจิตของเราอะนะจิตของเราเนี่ยนะมีรูออกอยู่ทั้งหมด6ทางนะคือไม่ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจสักทางใดทางหนึ่งที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันแล่นออกไปได้เพราะฉะนั้นจิตของเราจะแล่นออกไปตรงนี้เราจึงต้องรู้จักปิดนะปิดหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ใช่อะไรแล้วก็เปิดให้เข้ามา เราต้องรู้จักปิดกลั้นของดีให้เข้ามาได้ของไม่ดีไม่ให้เข้ามานะเนี่ยพระรูชาวก็เปรียบเทียบกับการที่รู้จักสํารวมมินซนะีคือเห็นอะไรแล้วแต่เนะี่ยอย่าไปเห็นว่ามันแยกส่วนๆมาแล้วสวยนะหรือว่ารูปดูรวมๆกันแล้วสวยอย่างถ้าเรายกตัวอย่างเปรียบเ ท, ทียบกับรถยนต์อย่างเงี้ยเราเห็นว่าบางทีรถยนต์คันนี้เครื่องยนต์โหดีมากเลยแยกส่วนออกมานะระบบเครื่องยนต์บางอย่างดี นะด้วยวัสดุอย่างดีอันนี้คือดูแล้วดีแม้แต่โดยดูโด ย, โด ย, โดยโรวมแล้วมันอาจจะไม่ดีมันจะมีช่วงล่างไม่ดีอะไรต่างๆไม่ดีใช่ไหมแต่เราโยนบางคันนี่ดูโด ย, โดยโรวมแล้วแหมดีมากเลยสมรรถนะดีตรงนั้นตรงนี้ก็ดีแต่ว่าแยกส่วนมาดูแล้วอาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยนะคือไม่ทั้งไม่ใช่ทั้งโดยถือเอารวปทั้งหมดหรือการแยกเป็นส่วนๆเราก็ไม่ยึดถือเอาไว้ค่ัคือรู้จักปิดการกระชือไวเป็นพืธีรู้จักปิดแผลของเราค่ะ ถ, ถ้าไม่ปิดแผลเนี่ยหรือว่าแผลเนี่ยไปโดนลมโดนแดดโดนฝุ่นนะคือแผลบางทีเราปิดแล้วมันก็ยังโดนแดดโดนลมโดนฝุ่นโดนเหงือ่อเราก็ต้องเปิดมันล้างมาทําความสะอาดเช่นเดียวกันนัะคือจิตของเราถึงแม้ว่าเราจะสำรวมอินทรีย์แล้วแต่บางทีมันก็โดนกระแทกโดนทิ่ม ด, มดมตามบ้างใช่ไหมเราต้องรู้จักล่างทําความสะอาดด้วยการที่มาฝึกสมาธิให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างเงี้ยก็จะชื่อว่ารู้จักการปิดแผลค่นะ เด็กเลี้ยงไฟนี้ไม่ใช่กระจกกระจอกนะคุณยมติวเราจะดูแลรักษาจิตของเรานะค่ะก<น>็สรุปแล้วจะเป็นใครก็แล้วแต่ต้องเป็นมืออาชีพในสิ่งที่ตนทาถูกไหมคะใช่ห า, ากว่าจะอยู่รอดอย่างท่านกำลังพูดถึงมนุษย์มืออาชีพที่จะรอดพ้นความทุกข์ต้องเป็นมนุษย์ที่รู้จักเคลียร์ไขขงัง<ต>ใช่ถูกไหมคะใช่ถูกต้อง เหมือนเหมือนกับเคลียไข่ค้างจากโคที่ฉนันน่นสงสัยมานานนี่พูดจริงๆ น, น, นะครวันนี้ถึงแสงสว่างว่าอะไรคือไ ข, ข่ค้างที่ต้องเขลียอื hmm. เพราะว่าก็ขณาดเคยถูกบัวควิดนะคะแต่ไม่รู้จักบัวค่ะ <laughs> ก็รู้แต่ว่าบัวไม่ใช่ควายมีเขาเหมือนกันเท <laughs> <laughs> ่านั้นเองท่านฟังเขาวันนี้ได้ประโยชน์ทีเดียวนะคะจากสิ่งที่ท่านไปบูรณ์ได้นํามาพูดเป็นพระสูตรที่พระพุทธโธตรัสไว้แล้วก็ท่านไปบูรณ์นำเอามาขยายความ มีอย่างอื่นอีกไหมคะที่เป็นความบุกพร้องของคนเลี้ยงโคที่พอจะเป็นตัวอย่างหรือว่าจะแปลแล้วจะเป็นทํานองเดียวกันทั้งหมดมก็จะมีเรื่องที่เราต้องรู้จักตัวไหนเป็นตัวหัวหน้ามันค่ะเปรียบเทียบกับการที่เราต้องรู้จักให้เกียรติคนที่เป็นผู้ใหญ่ในในตระกูลในหมูห่คณะของเรานะเถ้าเราไม่ให้เกียรติตัวนี้ไม่ให้เกียรติคนนี้เนี่ยแม่เราจะอยู่ยากนะ อย่างสมมุติในบริษัทเราเรามีหัวหน้าของเราอย่างเงี้ยเราต้องให้เกยียรติเขาในกลุ่มเพื่อนเราคนนี้เป็นคนดีเราให้เกยียรติเขาอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าสะดวกในการทํางานของเราสิ่งที่เพิ่มเติมที่ได้ได้พูดไปเมื่อตอนต้นรายการช่วงการปฏิบัติน่ะคือเรื่องของความทุกเนี่ยที่บุรุษชาติบอกว่ามันจะมาอะไรมีอะไรเป็นเหตุนะ่ะก็พูดถึงฉันทะน่ะคือความพอใจซึ่งเป็นอันเดียวกันกันกบเจ้าพวกตันหา ค่ S 1> <S 1> <c oughs> นะคือฉันทะส่วนที่เป็นสมุ ท, ทยัยนะคือส่วนของตานหาก็มนะีฉันทะในส่วนที่เป็นมร ก, ก็มีนะนี่ผู้ชายเากำลังพูด <c oughs> ถึงฉันทะคือความพอใจในส่วนที่เป็นสมุ ท, ทยัยคือเหตุของความทุกข์คือถ้าเราไปพอใจในสิ่งอะไรก็แล้วแต่เถอะนะที่มันจะทําให้จิตเราเข้าไปยึดได้นะี่นะความยึดถือเนี่ยมีในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยตันตีนะถ้าเราไปยึดในมรมรเนี่ยจะเป็นภัยของเราเ <c oughs> นะพราะฉะนั้นถ้าเรามีความพอใจก็คือว่า ให้เรามาปรารบความเพียรนะความเพียรเพื่อจะละไอตัวฉันทะนั่นเองค่นะพระนนท์ก็เคยได้อธิบายไว้นั่นได้เป็นคำของพ้านนทที่ว่าเรามีฉันทะเนี่ยเจริญฉันทะเนี่ยเพื่อละฉันทะนะคือเจริญฉันทะในการเดินตามมัก8ในะเดินตามมักแปแล้วฉันทะนี่ก็จะค่อยๆลดลงไปลดลงไปก็จะเอาฉันทะที่เป็นเป็นมกักมาช่วยละฉันทะที่เป็นสมุ ท, ทยัยนซะแล้วเราก็จะสบายใจได้ อก็ เ, เท่ากับว่าในทางพระพุทธศาสนายึดไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดไม่ได้เลยค่ะอืแต่ว่าอต้องใช้เป็นที่พึ่งใช่ถือเอาเป็นที่พึ่งได้นะคะถือเอาเป็นที่พึ่งได้อความรู้ในวันนี้เป็นความรู้ที่ท่านทั้งหลายนํำมาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแน่นอนเออย่างอย่างคําว่า หมาพูดถึงประเด็นนี้ก็จะขยายความนิดนึงผมว่าบางทีท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถือเอากับยึดถือ ม, มันฟังเหมือ น, นกันนะในภาษาไทยอะ่ะใช่มหมยึดถือกับถือเอานนั้แต่ว่าโดยภาษาบาลีแล้วคนละเรื่องกันเลยนะยึดถือพระเจ้าใช้คําว่าอุ ป, ปาทานนะยึดถือนะเหตุเหตของความยึดถือเพราะตันหานะตันหาอุ ป, ปาทานยึดถื อ, อ, อพวกนี้มาด้วยกันเลยเป็นเหตุของความทุกข์คุณมีความยึดถือเมื่อไหร่คุณมีปัญหาตันดี แต่การถือเอาการถือเอาตรงนี้พระเจ้าใช้คาว่าเป็นสารณะถือเอาเป็นที่พึ่งคือเราพูดถึงกริ น, นี้ว่าถือเอาเป็นที่พึ่งน ะ, ะเพราะการยึดเอาเป็นที่พึ่งไม่มีนะคือโดยภาษาบาลีคุณจะไม่เอาอุปท า, านกับสารณะมาด้วยกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถือเอาคืออุปท า, านขอพายยึดถือคืออุปทานถือเอาคือเป็นถือเอาเป็นที่พึ่งคือสารณะ เพราะฉะนั้นพอมาพูดเป็นภาษาไทยแล้วมันกลายเป็นมีถือถือบางแกนก็เลยจะสับส น, นนิดหนึ่งแต่ให้เข้าใจใว่าถือเอาเป็นที่พึ่งนะั่นคือสารณะยึดถือคืออุปทายให้ทิ้งไปถือเอาเป็นที่พึ่งให้คงไว้ให้เรามีเป็นที่พึ่งนะ พ, พ, พูดประธานประสงคนะ์ส่วนยึดถื อ, อยึดถือในอะไรเอาทิ้งไปหมดความยึดถือนัน้นอุปทานทิ้งไปพอเราเข้าใจความแตกต่างตรงนี้เราก็จะไม่ยึดถือแต่ให้ถือเอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นที่พึ่งนะ การเอาเป็นที่พึ่งก็คือว่าไปคือไม่ได้เอาเป็นของตัวเองแต่ใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองเนาะค่ะไม่ยึดแต่ให้ใช้เป็นที่พึ่งใช่ให้ถือเป็นที่พึ่งนะค ะ, ะเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในทางที่จะปฏิบัติงั้นไหมค ะ, ะเยนพานจูกต้องนะคะวันนี้เราก็ได้ประโยชน์อีกวันหนึ่งอย่างยิ่งจากพระเพรบุญอภิปุโนกราบน้อมสักการขอบพระคุณท่านนะค ะ, ะเยนพาน ท่านฝั่งค้าวัดของท่านอยู่ที่มอมเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่นั่นจะมีทอดกรถิ่นกันวันที่11เดือน11นี้ท่านใดที่อยากจะทำบุญนะคะตามประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์นั่นแหละหลังจากเทศกาลเข้าพรรษาแล้วพระภิกษุภาคว่าจะมีผ้าใหม่ใส่ต้องมีโยมถวายนะคะก็เป็นเรื่องที่ทาให้ชาวพุทธทั้งหลายก็เลยได้ ดำเนินการให้มีประเพณีนี้สืบทอดกันเรื่อยมาสำหรับที่วัดเนี่ยนะคะจะมีเบอร์บัญชีด้วยซึ่งดิฉันได้ฝากกับทางสถานีนี้ไว้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านจะเข้าไปดูที่เพลธร a m a .com/106 เพื่อที่ฝากคำถามมาที่ท่านเพียบูลด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ทางอีกวัดหนึ่งคือวัดนาประพง์ก็ต้องรีบกราบเรียนให้ทราบว่ากาหนดการจา ก, ก่อนวัดป่าดอนหายโศงหนึ่งสัปดาห์ คือจะเป็นวันที่4เดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นทำนองเดียวกันน่แหละค่ะเพื่อให้พระภิกษุนะคะได้มีผ้าที่ญาติโยมตั้งใจถวายตามพระวินัยที่พระพุธทธองค์ได้วางไว้นะคะวันนี้เราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้กับรายการสันสนีสนทนาเพื่อที่จะมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ตี5เช่นเคยทาง FM106 หรือสำหรับท่านที่จะฟังผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะก็ที่10 6 Family News วันนี้พุทวดสวัสดีค่ะ